เธอผู้ใดที่ประกอบด้วยสัจธรรมเจตประการต่อไปนี้และเป็นผู้ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่อันประกอบในจิตอันยิ่งอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในภายในในการนั้นเธอผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มันอันมีบาปและทําอะไรไม่ได้สัจธรรมเจตประการ คืออย่างไรเล่าเพื่อเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชามีเสารรเนียดอันมีรากลึกฟังไว้ดีแล้วไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนสำหรับคุ้มภัยในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดตั น, นั้นก็เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่า แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ดังนี้คือจากนั้นมีศรัทธาเป็นเสาระเนียดย่อมละอกุศลเจริญกุศลละกรารมมันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ นิชว่าผู้ประกอบด้วยสัตธรรมประกรันที่หนึ่งหรือเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชามีคู่ล้อมรอบทั้งลึกและกว้างสำหรับกุ้มภัยในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดเถานั้นก็มีหิริคือความละอายต่อบาบละอายต่อไกายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริตและอายตการถึงพร้อมด้วยอากุศลและธรรมอันลามุกทั้งหลายากิจเดินนั้นเป็นผู้มีหิริเป็นคู่ล้อมรอบย่อมละอากุศลเจริญกุศลละกรรมอันมีโทษจเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่เช่นั้นเหมือนกันนี่ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัตธรรมประการที่สอง หรือเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระชาชามีเชิงเทินเดินรอบทั้งสูงและกว้างสำหรับกุ้มภายในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดเต่นั้นก็มีโอตปะคือความกลัวตบะบาบเป็นผู้สะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสะดุ้งกลัวต่อความถึงพร้อม ด้วยอากุศุรธรรมนันเป็นบาปทั้งหลายก็ต่อเนั้นมีโอต ป, ปะเป็นเชิงเตือนเดินรอบย่อมละอากุศุเจริญกุศลและกรรมอันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่จนัน้นเหมือนกันนีชวาผู้ประกอบด้วยสัตธรรมประการที่สหรือเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มัง่งคั่ง ของประชาชามีอาวุธสั่งสมไว้เป็นอันมากทั้งชนิดที่ใช้สัต์ใกล้ตัวและซัดไกลตัวสำหรับคุ้มภายในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดเธอนั้นก็มีสุตตะอันตนสดับแล้วมากทรงสุตตะสั่งสมสุตตะสุตตะคือธรรมะเหล่าใด งดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดที่เป็นการประกาศพรหมจรรย์ใหนบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพรำทั้งอัตะพร้ำทั้ทงผยนชนะถ้ามีลักษณะเห็นบ่านนี้เห็นเธอสดับฟังแล้วมากทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นคือเธอนั้นเป็นผู้มีสุตตะเป็นอาวุธ ย่อมละอากุศลจเจริญกุศลละกรรมันมีโทษจเจริญกรรมันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่เช่นั้นเหมือนกันนี่ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยศธรรมประการที่สเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชามีกองกํำลังประจำอยู่เป็นนันมากคือกองปลช้างกองปลมา้า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 เธอ n ั้นก็เป็นผู้มีความเพียรเป็นปราดรลบแล้วเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อยังกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อมมีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งตุระในกุศลธรรมทั้งหลายคือเธอเป็นผู้มีความเพียรเป็นพละกกายย่อมละกุศลเจริญกุศล ละกรรมมันมีโทษจเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่เะนนั้นเหมือนกันนี่ช่อว่าผู้ประกอบด้วยสัตธรรมประการที่ห้าหรือเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระาชามีนายทวารที่เป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดมีปัญญาห้ามเข้าแก่คนที่ไม่รู้จัก ให้เข้าแก่คนที่รู้จักเพื่อคุ้มไปในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดเธอนั้นก็เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาอย่างยิ่งระลึกถึงตามระลึกถึงซึ่งกิจที่กระทําและคำที่พูดแล้วแม่นานได้คือเธอานั้นเป็นผู้มีสติเป็นนายทวาน ย่อมละหอากุศลเจริญกุศลละกรรมันมีโทษเจริญกรรมันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่เช่นั้นเหมือนกันนีชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสตรัรมประกันที่หหรือเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชามีกำแพงทั้งสูงและกว้าง สมบูรณ์ด้วยการก่อและการฉาบเปลือกคุมภายในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดเท่านั้นก็เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องให้ถึงธรรมสัจจะแห่งการตั้งขึ้นและการตั้งอยู่ไม่ได้เป็นบระยะเป็นเครื่องชำระ ก, กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ คือเทนั้นเป็นผู้มีปัญญาสมบูรณ์ด้วยการก่อและการฉาบย่อมละอกุศลเจริญกุศลละกรรมมันมีโทษเจริญกรรมมันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ฉะนั้นเหมือนกันนี่ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัธรรมประการที่เจ็ดหรือเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชามียญ้า และน้ำสร้างสมไว้เป็นนันมากเพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุขในภายในเพื่อป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดเธอานั้นก็เพราะส ง, งัดจากกามส ง, งัดจากอากุศลแระตทั้งหลายจึงเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอานเกิดจากความมเวก แล้วเข้าอยู่ในธรรมนิยได้เพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุขแห่งตนเพื่อก้าวลงสู่นิพพานฉชนนั้นเหมือนกันหรือเปรียเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มังค่างของพระราชามีข้าวสาลีและข้าวยะวะสะสมไว้เป็นนันมากเพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุข ในภายในเพื่อป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดเต่านั้นก็เพราะความเข้าไปสงบระงับแห่งวิตกและวิจาร์เข้าถึงทุติยชาญอันเป็นเรื่องป่องใสแห่งใจในภายในนำให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกปุตมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์นี้แต่บีติและสุข มันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมด้ยเพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุขแห่งตนเพื่อก้าวลงสู่นิพพานเช่นนั้นเหมือนกันหรือเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชามีอัปปรนิชาตคืองาตัวเขียวตัวราชมาดเป็นต้นสร้างสมไม้เป็นอันมาก เพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุกในภายในเพื่อป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดเท่านั้นก็เพราะความจางคลายไปแห่งปีติเป็นผู้อยู่เบกขามีสติและสัมปชัญญะย่อมสวยสุข้วยนามกายชนินที่พระอริยเจ้ากล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่เบกขา มีสติอยู่เป็นปะกะติสุขเข้าถึงฌานที่สามแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุขแห่งตนเพื่อเ้าลงสู่นิพพานเสนั้นเหมือนกันหรือเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของประชามีเศสัตว์สั่งสมไว้เป็นอันมาก คือในสายเหนียคน้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยและเกลือเพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุขในภายในเพื่อป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดเรนนั้นก็เพราะละสุขและละทุกเสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการกอร จึงเข้าถึงฌานที่สอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนิยได้เพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุขแห่งตนเพื่อก้าวลงสู่นิพพานฌานนั้นเหมือนกันเปรียบเหมือนหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชา มีกำแพงและเชิงเตือนเดินรอบมีประตูอยู่หประตูนายประตูเมืองนั้นเป็นคนฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักและอนุญาตให้คนที่ตนรู้จักเข้าไปในเมืองนั้นมีราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนมาจากทางทิศเหนือ เขาก็ถามนายประตูทางทิศนั้นว่าเจ้าเมืองอยู่ที่ไหนนายประตูก็ตอบว่าเจ้าเมืองนั่งอยู่นะทางสี่แพร่งกลางเมืองในที่นั้นราชทูตก็ได้มอบถ้อยคำตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้วก็พึงดำเนินกลับไปตามทางที่มาราชทูตอีกคู่หนึ่งมาจากทางที่ตวน อ, อกราชทูตอีกคู่หนึ่ง มาจากทางทิศใต้อีกคู่หนึ่งมาจากทางทิศตะวันตกเขาเหล่านั้นถามนายประตูในทางทิศนั้นๆว่าเจ้าเมืองอยู่ที่ไหนนายประตูก็ตอบว่าเจ้าเมืองนั่งอยู่นะทางสี่แพร่งกลางเมืองในที่นั้นแหละราชทูตคู่นั้นๆก็มอบถ้อยคาตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้วก็พึงดำเนินกลับ ไปตามต่างที่มาปิกษุทั้งหลายประมาณนี้เราปลูกขึ้นเพื่อให้รู้เนื้อความคือคำว่าเมืองเป็นชื่อของกายที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสีมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดทั้งที่มีการต้องกัดสีนวดฟันอยู่เนืองนิดก็ยังมีการแตกสลาย รกระจายเพราะความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาคมว่าประตูหประตูเป็นชื่อของอเยตนะภายในทั้งหกคมว่านายประตูเป็นชื่อของสติคมว่าราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนเป็นชื่อของสมรรถะและวิปัสสนาคมว่าเจ้าเมืองเป็นชื่อของวิญญาณ คำว่าทางสี่แร่งกลางเมืองเป็นชื่อของธาตุทั้งสี่กล่าวคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมคาว่าท้อยคำตามความเป็นจริงเป็นชื่อของนิพพานคาว่าตามทางที่มาแล้วเป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์แปดข้าพเจ้าพระภัยบุญภิปุนโน มาพบกับท่านผู้ฟังในวันนี้ในส่วนของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษคือเนื้อหาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นขอขอโดยยกมาให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นรายการเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ทําความคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นพุทธพจน์นะฟังไปฟังไปเนี่ย ร, ราจะทราบซึ่งทีเดียวในะอุปมาอุปไมยที่พระุทธเจ้ายกมานี้มันเป็นชัดเจนมากเหมือนกับกายกรใจของเรานะเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะกายเป็นเมืองมีเจ้าเมือง คือใจเนะอยู่ใน เ, เมืองนี้เหมือนตัวเรานี่แหละทุกคนท่านผู้ฟังคนนี้ฟังภาคเหนืออีกคนหนึ่งทำภาคใต้นะฟังผ่านครื่นวิทตียุไปแต่ละคนก็ดูแลรักษาเมืองของตัวเองของตัวเองแต่เจ้าเมืองที่ดูแลรักษาเมืองนั้นก็คือใจของเราเป็นเจ้าเหมือนที่คอยรักษาเมืองกายเมืองใจของเรานี้เมืองของเรานี้มีประตูอยู่6ประตูด้วยกันนั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ โอประตูนี้เป็นช่องทางที่สิ่งทั้งในจะออกไปบ้างสิ่งข้างนอกจะเข้ามาบ้างแต่พอมีประตูมันก็ต้องมีคนเฝ้าประตูผู้ที่คอยเฝ้าประตูนั้นก็คือสติในสติเป็นนายทวารใ น, นที่ประเจ้าเปรียบเทียบไว้ก็ต้องคอยเฝ้าละ่ะนะว่าอย่าให้ศัตรูหรือว่าค่าศึกมันแอบบุกเข้ามาปวดในเมืองของเราถ้านายทวารฉลาดหน่อยคนมีบัตรก็ให้เข้าได้ คนไม่มีบัตรก็ไม่ให้เข้าทําบัตรปลอมมาเราก็รู้และมีเครื่องตรวจเครื่องสแกนหาต่างๆถ้าเผื่อว่าเราไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเข้ามาในเมืองเราก็ไม่มีปัญหาเมืองเนี่ยมันจะถูกตีอยู่ด้วยค่าศึกแน่นอนแต่เพราะเมืองประเภทนี้เป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองชายแดนแต่ค่าศึกที่พระเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบนั้นคือสิ่งที่เป็นภัสสะบ้างแล้วมันจะมีทั้งสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่กุศล นั่นจะมากระทบค่าศึกก็คือสิ่งที่เป็นอกุศลผู้ที่เป็นนายทวารจะต้องคอยป้องกันไม่ให้ค่าศึกมันมาผ่านมาทางประตูเข้ามาใ น, ในเมืองมันก็จัดมอบบ้างโกงบ้างนะหรือยุยงคนนั้นให้แตกกันบ้างทําให้บ้านเมืองเราปั่นป่วนนายทวารก็ต้องรู้จักป้องกันทีนี้ถ้าบอกว่านายทวารป้องกันไม่ได้นะ่าไม่ฉลาดเท่าไหร่ในเมืองก็ต้องมีกองกําลังที่จะคอยขับดันในเจ้า ไสศึกหรือฆ่าศึกศัตรูที่มันจะผ่านเข้ามาได้กลองกําลังในที่นี้ก็คือความเพียรนั่นเองมีความเพียรเป็นพละกายมีความเพียรเป็นกองกําลังที่จะขับดันเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมให้ออกไปจากใจของเรากองกําลังนี้ถ้าติดอาวุธก็ยิ่งจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น่เป็นกองกําลังที่ติดอาวุธมีอาวุธพร้อมครบมืออาวุธในที่นี้ก็คือธรรมะนั่นเองเป็นผู้ที่ทรงสุดตาสังสมสุดตะ ฝังธรรมะอยู่เรื่อยๆจำตรงนั้นได้ท่องตรงนี้ไว้ไหนะพอมีสิ่งใดมาครบไหนใจเรามีความเพียรอยู่แล้วเราก็ใช้ธรรมะบทนี้ไห น, นใครควรพิจรารณาสับฟันสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมให้มันออกไปจากใจของเราได้ทีนี้ในทวารที่จะต้องคอยป้องกันเมืองคือภาระมันก็จะมาตกอยู่ที่นายทวารทั้งหมดนะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเครื่องช่วยให้สติด้วยนั่นก็คือถ้าเราปรเปรียบเทียบกับเมืองเขาก็จะมีกูล้อมรอบ มีเชิงเทินเดินรอบนะอย่าเพึ่งให้ข้าศึกมันมาประชิดกำแพงนะเผื่อว่านายประตูนายทวารจะได้ตรวจสาบได้ง่ายเพราะฉะนั้นเชิงเทินเดินรอบกูล้อมรอบแล้วนะก็เปรยียบเสมือนหีริอัลตปะที่เราจะเป็นผู้ที่กลัวต่อบาปละอายต่อบาปนะไม่ทําบาปแต่โดยฟังเคยลองนึกถึงเมืองแตนะ่ที่ไม่มีกำแพงเมืองเลยขนะ้าศึกจะยกทัพมาตีจากทิศทางไหนได้หมดเลยแล้วนะเราจะป้องกันตัวยากมาก เพรานกำแพงเมืองที่มีเนี่ยก็คือเรื่องของปัญญาแต่ปัญญาในที่นี้ก็คือปัญญาพอที่จะเห็นอริยสัตว์บ้างปัญญารู้ทั้งสัมมาทิฐิในส่วนที่เป็นโลกิยะหรือจงๆอยู่ในโลกอยู่หรือส่วนที่เป็นโล ก, กุตระคือเหนือโลกขึ้นไปในระดับไหนก็ได้ก็เป็นกำแพงได้เหมือนกันพอมีกำแพงแล้วมันเข้าไม่ได้มันก็เข้าได้เฉพาะตรงที่เป็นประตูแล้วเราก็จะมาคอยระวังตรงนั้นก็จะทําให้การทํางานการรักษาเมืองนั้น เป็นไปอย่างง่ายดายอย่างสะดวกมากขึ้นข้าศึกมันมาแน่ตนัมบูฟังข้าศึกมาแน่ข้าศึกที่จะยกทัพมาตีแต่ในที่นี้มันจะมาในรูปของความแก่บ้างมันจะมาในรูปของความเจ็บไข้บ้างมันจะมาในรูปของคนที่เรารักจากไปบ้างหรือจะมาในรูปของความตายบ้างแต่ที่เมื่อไหร่มันมาถึงแล้วมันมาประชิดเมืองเราแล้วจะทำยังไงให้เรายังรักษาเจ้าเมืองรักษาเมืองของเราเอาไว้ได้ นี่คือประเด็นแะต่ถ้าผว่าตอนนี้ท่านผู้ฟังนะ่ะยังมีชีวิตความเป็นไปที่พอมีพอเป็นนะ่ะไม่ได้มีเรื่องราวในชีวิตที่มันระทมทุกข์มากแสดงว่าตอนเนี้มานให้โอกาสอยู่มานให้โอกาสคือค่าสึกมันยังไม่มาตีนะ่ะทับใหญ่มันยังไม่มามันนอาจจะมีไส้สึกมาแย้มแยมแผลมแผลตรงนั้นตรงนี้บ้างนะ่ะก็คือหมายความว่าเราอาจจะมีความคินในทางอากุศลบ้าง ตื่นเช้ามาปวดท้องนิดๆหน่นนอยๆหรือว่ามีาพรรษาที่ไม่น่าพอใจใดๆกระทบบ้างอันนี้เป็นข้าศึกที่มันส่งผสอดแนมมันยังเวลาที่ข้าศึกเขาส่งไส้ศึกมาสอดแนมก็เพื่อที่จะหาข้อมูลกับฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีข้าศึกที่เป็นฝ่ายสอดแนมมาเนี่ยทำให้ใจเรามันกุ่นมัวบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราต้องรีบขจัดมันออกไปและในขณะเดียวกันเราเค่อยอย่าประมาท แต่อย่าประมาทว่าตอนนี้เราเมืองเราสงบแต่เราใช้ชีวิตโอเคและมีทรัพย์สินเงินทองพอสมควรใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสบายๆถ้าเราไม่เร่งสั่งสมอาหารแตะมีสเสบียงแตะมีเครื่องอุโปโภคบริโภคเครื่องมือเครื่องไม้ใช้สอยแต่อย่างในเมือง เ, เขาก็ต้องมีอาหารยารักษาโรคเครื่องไม้เครื่องมือน้ําต้องเก็บเอาไว้แต่เช่นเดียวกันถ้าใจของเราไม่ได้มีพวกสมาธิ ที่เป็ีเหมือนกับกองพลทการเก็บประไว้เนี่ยไม่ได้มีเครื่องป้องกันไม่ได้มีกองกำลังไม่ได้เก็บสะสมอาวุธเนี่ยเวลาที่ทัพใหญ่มันมาเนี่ยนะเราจะป้องกันเมืองเราไม่ได้เราจะจิตแตกเวลาที่มีภาระที่ไม่น่าพอใจมากระทบเนเช่นเงินที่เราเก็บไว้ตลอดชีวิตหายหรือคนที่เรารักตายหรือเเป็นโรคชนิดที่เรียกว่าไม่มียารักษาพวกนี้มันมาแน่นอนจำไวัง มาแน่ทับหญ่ตัวแม่มันมาแน่นอนเราเตรียมการที่จะป้องกันไว้ก่อนนะด้วยการที่จัดกองกำลังในเมืองของเราให้ดีรักษาฝึกทหารนะเพิ่มพูนเสบียงนะเก็บสะสมอาวุธสร้างเมืองของเราป้อมปราการนะทำประตูเมืองอะไรให้แน่นหนาะฝึกไพร่พลให้มีความรัดกุมรอบครอบมีความฉลาดหลักแหลมมีความสามเณรในใจ เมืองของเราจะเป็นเมืองที่ได้รับการรักษาได้เป็นเมืองลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นเมืองหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งก็อย่างเช่นในสมัยอายุธยาเป็นเมืองหลวงก็มีพิษณุโลกเป็นหัวเมืองที่สําคัญอยตอนนี้มีกรุงเทพเป็นเมืองหลวงหัวเมืองที่สําคัญกับสระบุรีโคราชแล้วกักาญจนบุรีพวกนี้นตามเมืองต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะมีกองทหารอยู่เป็นกองทหารที่ มียุทธุปกรณ์มีอาวุธมีความเพียบพร้อมอยู่ตามหัวเมืองต่างๆเหล่านั้นมีกำลัการสร่งกำลังบำรุงมีถนนเข้าออกและมีกองทหารที่เต็มพร้อมสมบูรณ์อยู่เช่นเดียวกันกายของเราใจของเราเปรียบเสมือนเมืองประเภทนี้แต่ทุกวันมันมีคนเข้าออกในเมืองแน่นอนผ่านมาทางปัจจะลาหูจมูกลิ้นกายใจและทีแน่นคนที่เข้าที่ออกเนี่ยบางครั้งก็เป็นราชทูต แตนะ่ที่จะนำข้อมูลข่าวสารมาบอกเรา่นะคือคนที่เข้าที่ออกเป็นศัตรูก็มีแตนะ่เป็นไส้ศึกมาสอดแนมก็มีเป็นคนดีนำอาหารมาให้หรือแม้แต่เป็นราชทูตก็มีเพราะนั้นนายทวารต้องฉลาดนะอะไรให้เข้าได้อะไรไม่ให้เขา้านแะเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมากระทบทางตาเราอย่างนี้แตนะ่มันมาจอดอยู่ที่ประตูแล้วเราต้องไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นแตนะ่ถ้าอากุศลเกิดขึ้นในใจเมื่อไรแตนะ่มีความคิด พยาบาทความคิดทางการหรือในความเบียดเบียนเกิดขึ้นแสดงว่าอากุศลเข้ามาในเมืองของเราแล้วแต่ถ้าเราป้องกันไม่ให้ความคิดในทางอากุศลเกิดขึ้นแต่เห็นตามที่เป็นจริง้มันไม่เที่ยงนี่นะอ่า น, นแสดงว่าคุณได้ให้ราชทูตเข้ามาละราชทูตที่เข้ามาผ่านเข้ามาทางประตูนี่แหละผ่านเข้ามาทางผัสสนี่แหละมาแล้วก็จะนำถ้อยคำตามที่เป็นจริงมาบอกเจ้าเมือง ราชทูตนี้ก็คือสมรรถะและวิปัสสนานเเเวลราเห็นสิ่งใดมีภาษาใดมากระทบเราเห็นสภาวะถึงความไม่เที่ยงถึงตามที่เป็นจริงว่าสิ่งนี้จริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรมันเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าเราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความไม่ใช่ตัวตนนั่นแสดงว่าเราให้ราชทูตคือสมราถวิปัสสนาเข้ามาในเมืองกายเมืองใจของเรา นำข้อความตามที่เป็นจริงมาบอกกับเจ้าเมืองเห็นจริงเลยว่าไอ้สิ่งที่มากระทบเนี่ยต่อให้มันดียังไงมันรายย้ายยังไงสภาพจริงๆของมันก็คือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ควรค่าแก่การที่จะยึดตีเอาไว้ผู้ที่เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังมานทําอะไรไม่ได้มานคือกองกําลังกองทัพที่มันจะยกทัพมาตีเรามันมาแน่แต่ถ้าเมืองของเรามีการป้องกันไว้มันทําอะไรเราไม่ได้ แต่ตอนนี้มันยังไม่มาสําหรับท่านผู้ฟังบางคนมันยังไม่มาเรายิ่งต้องเร่งฝึกทหารเก็บสะสมสเสบียงเตรียมอาวุธให้พร้อมคือถ้าเราไปทําตอนที่ออข้าศึกมาประชิดกําแพงเมืองแล้วเนี่ยมันทําให้ทันหลาคนจะตื่นตกใจไปหมดถ้าเราคิดว่าเราจะมาเร่งสวนมนต์บทไหนนั่งสมาธิยังไงตอนที่เรานอนแหกๆอยู่โรงพยาบาลนี้มันไม่ทันหรอกท่านผู้ฟังมันช้าเกินไปเราทําตอนที่เราสบายดีนี่แหละ ทำตอนที่เราไม่มีค่าศึกมาติทำตอนที่เรายังมีความสบายความสะดวกยังหูยังฟังเสียงได้ยินอยู่บ้านเมืองยังไม่ได้เดือดร้อนไปมากกว่านี้แต่ยังพอมีเครื่องไม้เครื่องมือเวลาว่างที่จะมาสังเกตลหมหายใจนะทำความสบายในใจให้เกิดขึ้นได้มีสติอยู่ในลหมหายใจเข้าลหมหายใจออกนะศึกษาธรรมะหนังสือธรรมะฟังธรรมะบ้างนะมีการพูดคุยสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินยัย แล้วก็ไม่เลิกร้างความหลีกเร้ น, นเวลาเป็นหลีกเล่นปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่บ้างเป็นการเสริมสร้างกำลังเมืองกายเมืองใจของเราให้มีความเข้มแข็งฟันธงให้ได้ท่านผู้ฟังข้าสึกมันยกทัพมาแน่มันมาแน่แน่มาตอนไหนมันจะมาตอนเราเผลอถ้าเราไม่เผลอมันทำอะไรเราไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเรามีสติ คอยที่จะอบรมสั่งสอนจิตใจของเราให้เป็นไปในแนวทางนี้สร้างสมกำลังพล เ, เก็บสะสมสเสบียงทำเมืองของเราให้แน่นหนาะมีความมั่นคงนะจัดหาฝึกฝนในเรื่องของความเพียรทำปัญญาให้เกิดขึ้นฝึกฝนในเรื่องของฮิริโอตัปปะแลนะมีศรัทธานในคำสอนของพระพุทธเจ้าสมาธิขั้นที่1นึ4งสองาม่ให้มีความชำนาญแล้วก็ฝึกสติให้เข้มแข็งฝึกสมาธิให้แจ่มชัด เราเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลังเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งมีความห้าวหาญเป็นเมืองที่มั่งคั่งเป็นเมืองที่สมบูรณ์เป็นเมืองเป็นป้อมปราการที่ทำลายไม่ได้ดีใจเราจะเข้าถึงความเป็นอมตะได้นั่นเองและตาท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อสงสัยในเรื่องของปริยัตในหมวดต่างๆก็เขียนถามมาได้เราได้การส่งจดหมายมาที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู 8, ่8ปดตำบลดอนไหโซ เบอน่องงานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าไปที่เว็บไซต์ purethma.com p, com, p u r e d h a m m a แล้วก็อย่าลืมแต่มว่แต่รักษาเมืองปิดประตูเมืองจนกระทั่งลืมเปิดให้ราชทูตนำข่าวสารมาแตเรารักษาเมืองทำเมือ้เข้มแข็งก็เปิดตารอราชทูตที่จะนำข่าวสารตามที่เป็นจริงคือสมถะวิปัสนานำข้อความคือนิพพานมาบอกให้ใจของเราทราบจุรินร